การทำบุญทำทานที่ท่านทั้งหลายได้มาทำกันในวันนี้เป็นเหมือนกับการไปแลกเงินจากสกุลหนึ่งไปอีกสกุลหนึ่งเช่นเวลาที่เราต้องเดินทางไปต่างประเทศเราไม่สามารถเอาเงินบาทไปใช้ในต่างประเทศได้ เราก็ต้องเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินของสกุลของประเทศที่เราจะไปเชน่นไปญี่ปุ่นเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเงินเยนไปเมืองจีนก็ต้องเปลี่ยนเป็นเงินเงินเงินหยวนเราก็เหมือนกับผู้ที่จะต้องไปต่างประเทศกันเราก็คือดวงจิตดวงใจ ที่ตอนนี้มาอยู่กับร่างกายในโลกนี้เวลาเรามีร่างกายเราก็ใช้ทรัพย์ที่มีอยู่ในโลกนี้หาเงินหาทองแล้วเราก็เอามาใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนความสุขของเราแต่ต่อไปเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถ เอาเงินทองเข้าของที่เรามีอยู่ติดตัวไปกับเราได้เราจะเป็นดวงวิญญาณที่จะไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ระหว่างเวลาที่เร า, เาไปหาร่างกายถ้าเราไม่มีเงินทองติดตัวไป เราก็จะไปอยู่อย่างยากลำบากอยู่แบบขอทานถ้าเรามีเงินทองติดตัวไปเราก็จะอยู่อย่างสบายเหมือนเวลาที่เราไปต่างประเทศเราเตรียมตัวไว้ก่อนเราจะไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ต้องเตรียมเงินเตรียมทอง ที่เราจะเอาไปใช้ในต่างประเทศฉันใดเดี๋ยวเราก็ต้องไปต่างประเทศกันไปต่างโลกกันตอนนี้เราอยู่โลกธาตุโลกของดินน้ำลมไฟแต่ต่อไปเราจะต้องไปอยู่ในโลกทิพย์อยู่อีกโลกหนึ่งเหมือนกับไปต่างประเทศเราก็ต้องเตรียมเงินเตรียมทองติดตัวไปด้วย เงินทองที่เราจะติดตัวไปได้นี่ก็คือบุญที่เรามาทำกันนี่เองการเอาเงินทองที่เรามีอยู่เข้าของเงินทองมาทำบุญมาถวายพระหรือจะทำที่ไหนก็ได้ให้พระก็ไดใ้ให้โยมก็ได้ให้พ่อแม่ให้พี่น้องให้ญาติสนิทมิตรสหาย ให้คนยากไร้คนอดอยากขาดแคลนคนที่ต้องการความช่วยเหลือเราให้ความช่วยเหลือเขาด้วยเงินทองก็เป็นเหมือนกับเราเอาเงินทองไปแลกบุญเองเปลี่ยนเป็นเงินจากเงินที่เราจะเงินที่ใช้ในโลกนี้เอามาเป็นเงินที่เราจะไปใช้ในโลกทิพย์ต่อไป บุญที่เราทำกันนี่แหละจะเป็นเงินที่เราจะเอาไปใช้ในโลกทิพย์ <c oughs> เวลาที่เราไม่มีร่างกายตัวเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้เราเราใช้ร่างกายพาเราไปทําอะไรต่างๆเราเป็นคนสั่งใจเป็นผู้รู้ผู้รู้ผู้คิด ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอย่างวันนี้ญาติยมจะมาที่วัดได้ก็ต้องสั่งให้ร่างกายพามาบอกวันนี้มาวัดนะช่วยพามาวัดหน่อยพอถึงเวลาก็ออกเดินทางมาถ้าไม่มีร่างกายก็มาไม่ได้ตอนนี้มีร่างกาย ใจก็สั่งให้ร่างกายพาไปไหนมาไหนได้ <c oughs> ต่อไปเวลาไม่มีร่างกายใจก็จะต้องอาศัยบุญเป็นผู้รับใช้เป็นผู้หาความสุขมาแทนร่างกายดังนั้นการทำบุญนี้ไม่ได้เป็นการสูญเปล่าไม่ได้เป็นการขาดทุนเป็นการแลกเปลี่ยน เงินจากสกุลหนึ่งไปสู่เงินเอกสกุลหนึ่งพอเวลาที่เราออกจากร่างกายนี้ไปออกจากโลกนี้ไปเราก็จะได้มีเงินติดตัวไปไปจ่ายค่าโรงแรมไปจ่ายค่าอาหารไปจ่ายค่าซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆถ้าเราไม่มีบุญติดตัวไป เราก็จะไปเป็นขอทานเวลาที่เราทำบุญแล้วเรากวดน้ำเนี่ยก็คือการส่ ง, ส, งส่งบุญไปให้กับคนตายคนที่เขาขาดบุญถ้าไม่ได้ทำบุญตอนที่มีชีวิตอยู่พอตายไปก็ต้องมารอรับส่วนบุญจากญาติพี่น้องเวลาที่เราทำบุญเราจึงทำเผื่อญาติพี่น้อง เพราะเราไม่รู้ว่าเขาตกอยู่ในสภาพไหนอยู่ในสภาพขอทานหรืออยู่ในสภาพเศรษฐีถ้าทําบุญมากก็จะเมยบุญติดตัวไปก็จะเป็นเศรษฐีถ้าไม่ได้ทําบุญทําบุญน้อยทําบาปมากก็จะไปเป็นขอทาน ดวงวิญญาณที่เป็นเศรษฐีเราเรียกว่าเทวดาพวกเทวดานี้เขามีความสุขอยู่ในสวรรค์วิมานชั้นต่างๆส่วนพวกขอทานนี้เราเรียกว่าเปรตเปรตนี้เป็นเหมือนขอทานไม่มีสวรรค์วิมานไว้อาศัยอยู่เพราะไม่ได้มีบุญไปซื้อสวรรค์วิมานชั้นต่างๆนั่นเอง นี่คือเรื่องของการทำบุญเป็นสิ่งที่เราต้องหมั่นทำกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องออกเดินทางไปเมื่อไหร่ถ้าเราบอกว่าไว้รอทำตอนแก่อาจจะไม่ทันแก่อาจจะตายก่อนเ้วก็จะ ไม่ไม่มีบุญติดตัวไปก็จะกลายเป็นขอทานไปได้ดังนั้นเมื่อมีโอกาสมีเวล า, าทำบุญได้ก็ขอให้ทำไปไเรื่อยๆพระพุทธเจ้าสอนให้เราเราเลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องตายตายเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้แล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครไปกำหนดได้บางคนตายตั้งแต่เกิดมาเลยก็มีออกมาจากท้องแม่ก็ตายบางคนก็อยู่ได้เจ็ดวันบางคนก็อยู่ได้เจ็ดเดือนบางคนก็อยู่ได้เจ็ดปีบางคนก็อยู่ได้เจ็ดสิ บ, บ ป, บปีบางคนก็อยู่เกินเจ็ดสิบปี แต่ไม่มีใครไปกำหนดได้ไปสั่งได้เพราะโอกาสที่จะทาให้ก็โอกาสที่เราจะตายนี้มันมีได้ทุกเมื่อทุกเวลาเดินไปเลื่อนหกล้มหัวฟาดพื้นก็ตายได้เดินข้ามถนนมองไม่เห็นรถวว่งมาถูกรถชนตายก็ได้เดินไปถูก ลูกมะพร้าวหล่นทับศีรษะตายก็ได้เพราะฉะนั้นมันความตายมันมีอยู่รอบตัวเราเราจึงไม่ควรประมาทควรเรียบเรียบทำบุญไว้อยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้มีบุญติดตัวไปเวลาที่เราตายแบบกระทันหันตายแบบไม่รู้สึกตัว ฝนตกถ้าใครทนไม่ได้ก็อยากจะย้ายก็เข้ามาในศาลานี้ก็ได้หรือไปศาลาด้านหลังก็ได้มีมีศาลาสองหลังข้างหลังก็มีสองชั้นมีชั้นล่างชั้นบนที่ท่านจะไปนั่งกันได้หรือเขามานั่งในศาลานี้ก็ได้ แม่ฝนฟ้าอากาศมันก็ไม่แน่นอนไม่มีใครไปกำหนดได้ว่าจะให้ฝนตกเมื่อไหร่ฝนหยุดเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าสอนให้เราล้ำลึกเสมอว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีวันที่จะต้องจากกันดังนั้นควรรีบทำบุญให้ถึงพร้อม แลกเงินไว้เยอะๆแลกบุญไว้เยอะๆเพราะเงินทองที่เรามีอยู่นี่เราเอาไปติดตัวเราไปไม่ได้แต่บุญนี่เอาติดตัวไปได้พนะระตจ้าบอกสังขารเป็นของไม่เที่ยงนะจงยังประโยชน์คือการทำบุญให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด วันดีคืนดีเราจะต้องขึ้นเครื่องบินออกไปต่างประเทศถ้าเราไม่เตรียมเงินตาต่างประเทศไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาไปจะไปลำบากเช่นบางประเทศเขามีสงครามเกิดขึ้นบางคนไม่ได้เตรียมตัวไว้ก็เลยต้อง อ, อบายพไปอยู่ตามแคมป์ชายแดนเป็นคนอบะยบ พอไม่มีเงินทองที่จะไปต่างประเทศไม่มีเงินทองขึ้นเครื่องบินไปอยู่ตามประเทศต่างๆในต้องบายสายอยู่ตามค่ายอบพยพค่ายลีภัยนแต่ถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนทําวีซ่าไว้ก่อนตีตั๋วเครื่องบินไว้ก่อนเตรียมเงินต่างประเทศไว้ก่อน พอมีเกิดมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราอยู่ในประเทศไม่ได้เราก็จะไปอยู่ต่างประเทศได้อย่าง อ, าอย่างง่ายดายอย่างสบายคนที่เขารวยเนี่ยเขามีไปซื้อบ้านซื้อคอนโดไว้ต่างประเทศนะเขาไปเตรียมตัวไว้ก่อนถ้ามีเหตุการณ์อะไรทําให้เขาจะต้องอ รีภัยเขาก็ถือกระเป๋าใบเดียวขึ้นเครื่องไปได้เห็นไหมเราก็เห็นไม่ใช่เลยคนที่มีเงินมีทองมีอำนาจพอถึงเวลาที่หมดอำนาจนี่เขาก็มีทางไปเพราะเขาเตรียมไว้ก่อนถ้าไม่เตรียมไปก็ไปไม่ได้ก็ต้องติดคุกพวกเราก็เหมือนกัน ถ้าพวกเราไม่เตรียมตัวไม่ยอมทําบุญมัวแต่ทําบาปกันนะเดี๋ยวก็ไปติดคุกในนรกกันนะทําบาปไม่ทําบุญนีก็ถ้าไม่ไปติดคุกในนรกก็ไปเป็นขอทานถ้าไม่เป็นขอทานก็ไปเป็นผู้ลีภ้ภัยผู้ที่ไปหลบหนีภัยต่างๆเนี่ย mm hmm. การทําบาปพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่าทํากัน ทำแล้วมันจะทำให้เราต้องไปใช้หนี้ไปติดคุกติดตารางไปอยู่อย่างยากจนอยู่อย่างยากลำบากอยู่แบบมีภัยรอบด้านให้เราทำบุญกันทำบุญแล้วเราจะไปอยู่คอนโดอยู่โรงแรมห้าดาวกันเพราะเรามีเงินจ่ายบุญคือเงินที่เราจะไปใช้ในต่างประเทศ อันนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้ามาแต่งขึ้นมาหลอกพวกเรา อ, อพระพุทธเจ้าเนี่ยส่งสอนว่าบุญที่เราทำเนี่ยมีประโยชน์มากมีตั้งแต่เรายังไม่ได้ไม่ตายเราก็ได้รับประโยชน์เวลาทําบุญมากๆใจเราจะมีความสุขมากๆ อ, อยู่เป็นสุข หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขคนที่ทาบุญนี่มีได้รับประโยชน์หลายอย่างอยู่เป็นสุขหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนอนหลับไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีเทวดาคุ้มครองปกป้องรักษาจะไม่ตายด้วยอาวุธด้วยยาพิษจะ มีผิวหน้าแจ่มใส เ, ออเวลานั่งสมาธิใจก็สงบได้ง่าย เ, ออเวลาตายไปถ้ายังไม่ถึงนิพพานก็ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆออออนี่คือประโยชน์ของการทำบุญถ้ายังต้องกลับมาเกิดใหม่ก็จะกลับมาเกิดมีมีวาสนาเป็นผู้มีวาสนา มากลับมาร่ำรวยมีฐานะการเงินการทองดีเพราะบุญที่เราทำนี้เป็นเหมือนเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารนั่นเองเวลาเราต้องการเงินเราก็ไปเบิกที่ธนาคารได้เวลาที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมาเกิดจากในครอบครัวที่ร่ำรวยครอบครัวที่มีฐานะการเงินการทอง พระพุทธเจ้าส่งเล่าประวัติของพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระเวชสันดรก็ทรงทาบุญอย่างมากมายยินดีที่จะเสียสละยินดีที่จะช่วยเหลือใครที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนช่วยเหลือหมดมีเท่าไหร่ไม่เสียดายเงินทองเพราะท่านรู้ว่าท่านตายไปท่านก็เอาไปไม่ได้อยู่ท่านก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ เพราะท่านชอบหาความสุขจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิมากกว่าเงินทองท่านเลยไม่เสียดายท่านเอาไปทำบุญพอตายไปก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์แล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นพระราชกุมารเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดิน ถ้าอยู่ต่อไปก็ได้เป็นมหาจากักรพรรดิแต่ถ้าออกบวชก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดสินใจออกบวชเพราะทรงเห็นว่าการอยู่ในโลกของการเกิดแก่เวียนว่ายตายเกิดจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆและเมื่อกลับมาเกิดถึงแม้จะกลับมาเกิดเป็น มาหาจากักรพรรดิเพื่ออย่างต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อ่ะพระพุทธเจ้าเลยไม่อยากจะกลับมาเกิดเห็นคนแก่แล้วไม่ชอบแก่เห็นคนเจ็บก็ไม่อยากเป็นคนเจ็บเห็นคนตายก็ไม่อยากตายกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายจึงอยากจะหาวิธี ที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายไม่ต้องกลัวกับความแก่ความเจ็บความตายก็เลยออกบวชเพราะผู้ที่ออกบวชนี้เขาเป็นผู้ที่ออกไปหาวิธีที่จะกำจัดความกลัวความแก่ความเจ็บความตาย ผ, ผู้ที่จะไปหาวิธี ที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนั่นเองอ่นี่คือเรื่องของการทำบุญมีประโยชน์หลายอย่างทำแล้วก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาทำให้ไม่หิวไม่อยากได้สิ่งต่างๆคนที่ไม่ทำบุญนี้ใจจะหิวใจจะอยากได้สิ่งต่างๆ อยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากไปเที่ยวที่นั่นอยากจะไปเที่ยวที่นี่อยากไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จําเป็นต่างๆเส้นซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรซื้อเครื่องประดับต่างๆเห็นแล้วสวยอยากได้ใจไม่มีบุญใจเลยหิวใจไม่ได้ ไม่ได้รับประทานอาหารก็เลยไปหิวกับของที่เป็นเหมือนยาเสพติดเี่เงินทองที่เราใช้กับความอยากนี่เป็นเหมือนกับเอาเงินทองไปซื้อยาเสพติดมาให้ใจเสพพอเสพแล้วก็จะติดพอเที่ยวแล้วก็ติดอยากจะเที่ยวเรื่อยๆพอซื้อข้าวซื้อของก็จะติดอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆแต่ถ้า ถ้าทำบุญอยู่เรื่อยๆใจจะไม่หิวใจจะอิ่มใจจะไม่รู้สึกอยากเที่ยวจะไม่รู้สึกอยากได้เข้าของต่างๆไม่อยากได้ของฟุ่มเฟือยของหรูหราของที่ไม่จำเป็นเพราะใจอิ่มใจมีความสุขจากการทำบุญแล้วจะทำให้ใช้เงินแบบ มีเหตุมีผลไม่ได้ใช้แบบตามอารมณ์ตามความอยากถ้าใช้ตามอารมณ์ตามความอยากมักจะใช้มากเกินไปเห็นอะไรชอบก็ซื้อมาหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปเงินทองก็จะไม่พอใช้ได้ก็จะเป็นจะต้องไปหาเงินหาทองทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ถ้าหาไม่พอก็อาจจะไปหาโดยวิธีทำบาปไปช่อโกงไปลักขโมยไปโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะได้เงินทองมาเพิ่มขึ้นแทนที่จะอยู่แบบไม่ทำบาปก็เลยต้องไปทำบาปไปสร้างไปสร้างโทษให้กับตัวเองไปสร้างคุกสร้างตารางให้กับตัวเองโดยไม่รู้สึกตัว แต่ถ้าทําบุญอยู่เรื่อยๆจะไม่ใช้เงินแบบไม่มีเหตุมีผลจะรู้จักประหยัดรู้จักเก็ บ, ก เ, กบเงินเก็บทองเงินทองจะพอกินพอใช้จะไม่จําเป็นจะต้องไปหาเงินด้วยวิธีทําบาปเออก็จะทําให้ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายถ้าไม่ได้ทําบาป ตายไปไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องเป็นอศสุรกายไม่ต้องไปตกนรกนะตายไปก็ไปสวรรค์ถ้าได้ทำบุญถ้าไม่ได้ทำบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าได้ทำบุญก็ไปเกิดเป็นเทวดาก่อนไปรับผลบุญก่อนจนกว่าผลบุญจะหมด ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องทําตามที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าต้องไปบวชกันต้องไปถือศีลแปดรักษาศีลแปดระงับความอยากต่างๆความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากหาความสุขจากคนนั้นคนนี้ อยากสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องหยุดการกระทำความอยากเหล่านี้เพื่อที่จะได้มีเวลามาฝึกฝนอบรมจิตใจทำใจให้สงบเพราะถ้าทาใจให้สงบก็จะหยุดความอยากต่างๆหยุดความอยากต่างๆได้ก็หยุดการไปเกิดได้ เหตุที่เรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆก็เพราะเรายังมีความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองยังอยากดูหนังดูละครยังอยากฟังเพลงยังอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ยังอยากดื่มอยากรับประทานของอาหารต่างๆขนมต่างๆก็เลยทําให้เราต้องมีร่างกาย เพราะถ้าไม่มีร่างกายเราก็กินขนมไม่ได้เดิมเครื่องเดิมไม่ได้ดูหนังดูละครไม่ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ได้เราก็เลยต้องมารอรับร่างกายจากพ่อแม่คนใหม่ของเราพอร่างกายอันนี้ตายไปแลความอยากที่มีอยู่ในใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใที่มีความอยากก็จะถูกความอยากดึงให้ไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่มาเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเรามาฝึกจิตมาควบคุมจิตทำสมาธิจเจริญสติพุทโธพุทโธ ไม่ให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวใจก็จะสงบหยุดคิดพอหยุดคิดความอยากก็จะหยุดตามไปเพราะความอยากนี้ต้องมีความคิดเป็นผู้นําเป็นตัวนําถ้าเราไม่คิดถึงขนมเราก็ไม่อยากกินขนม ถ้าเราไม่คิดถึงเครื่องดื่มเราก็จะไม่อยากจะดื่มถ้าเราไม่ได้คิดถึงละครเราก็ไม่อยากจะดูถ้าเราไม่ได้คิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวเราก็จะไม่อยากไปท่องเที่ยวแต่ถ้าเราคิดเดี๋ยวก็เกิดความอยากตามมาพอเราไม่คิดใจก็สงบพอสงบแล้วก็เกิดความอิ่มความพอขึ้นมาในใจเกิดความสุขที่ดีกว่าความสุข ที่เราจะได้จากการไปเที่ยวไปดูหนังดูละครไปกินไปดื่มอะไรต่างๆความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสนุกเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเราสามารถเข้าถึงความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ได้แล้วเราก็จะไม่ต้องไปหาอะไรนอกไม่ต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกาย มีร่างกายถึงแม้จะมีความสุขมันก็มีความทุกข์แถมมาด้วยมีร่างกายก็ต้องทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายรักษาร่างกายปกป้องร่างกายไม่ให้ถูกภัยต่างๆมาทําลายมาทําร้ายแต่ดูแลรักษาดีอย่างไรก็ยังหนีไม่พ้นภัยที่มีอยู่ในตัวของร่างกาย ภายที่อยู่ในตัวของร่างกายก็คือความแก่ความเจ็บความตายที่จะต้องตามมาการเกิดจึงเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสุขพระพุทธเจ้าบอกว่าการไม่เกิดเท่านั้นผู้ไม่ถึงถึงจะไม่ทุกข์ผู้ที่ไม่ทุกข์ก็คือผู้ที่ไม่เกิดถ้าตราบใดมาเกิดไม่ว่าจะเกิดน่ํารวยขนาดไหนใหญ่โตขนาดไหน ก็หนีความแก่ความเจ็บความตายไป ไ, ปไม่ได้ ừ. พอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย<ม>ก็ต้องทุกข์กันต้องเศร้าโศกเสียใจไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจกัน ừ. ถ้าไม่อยากจะมาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องอย่ามาเกิดการไม่มาเกิดได้ก็ต้องหยุดความอยากหยุดความอยาก ที่จะใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆนะการจะหยุดความอยากก็ต้องมาทำใจให้สงบใจจะสงบก็ต้องมีสติเป็นผู้ขอยหยุดความคิดนะถ้าเราไม่มีสติใจเราก็จะคิดไปทั้งวันทั้งคืนเลยขึน้นมาก็เริ่มคิดละคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เดี๋ยวคิดแล้วเดี๋ยวก็อยากอยากไปนู่นมานี่อยากจะทานูน่นทานี่ขึ้นมา ใจก็จะไม่มีวันนิ่งไม่มีวันสงบได้ใจก็จะต้องไปทำตามความอยากต่างๆทำไปทุกวันทำไปจนแก่จนเจ็บจนตายตายแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะมาทำต่อความอยากนี้มันไม่มีวันหยุดมันมันทำอยู่ตลอดเวลาถ้ามันจะหยุดต้องหยุดด้วยสติ วิธีที่จะทำให้ใจมีสติก็คือเราต้องดับลึกถึงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆหรือสวดมนต์ไปเรื่อยๆบริกรรมพุโทโธสวดมนต์หรือเราจะคอยเฝ้าดูร่างกายเราก็ได้คอยเฝ้าดูว่าร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินก็เดินไปกับร่างกายอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องเดิน กำลังยืนกำลังนั่งกำลังนอนก็ให้คิดอยู่กับเรื่องยืนเรื่องนั่งเรื่องนอนอกำลังทำงานก็ให้คิดอยู่กับงานที่ทำอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าอย่างนี้ใจก็จะไม่คิดด้วยเปื่อยพอเวลานั่งเราก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ ถ้าใจอยู่กับพุโทโธหรืว อ, อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ช้าก็เร็วใจก็จะนิ่งสงบแล้วใจก็ไม่ต้องทำอะไรพอสงบแล้วก็เหมือนกับกินข้าวอิ่มเวลาเราพุโทโธนี่เหมือนกับเรากำลังกินข้าวกำลังตักข้าวเข้าปากพุโทโธพุธโทโธเราก็ตักข้าวเข้าปากเข้าปากไป พอกินไปถึงที่ท้องมันอิ่มแล้วเราก็หยุดกินหยุดกินแล้วเราก็สุขสบายกินอิ่มแล้วสบายหอิ่มแล้วทีนี้ก็นอนอันนี้ก็เหมือนกันพอเราพุโทโธพุโทโธไปพอเราดูลมหายใจไปไม่คิดอะไรเดี๋ยวใจเราก็นิ่งสงบแล้วใจก็อิ่มใจก็สุขตอนนั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไร เสพความสุขนั้นไปจนกว่าจะถอนถอนออกมาพอเสพได้สักระยะหนึ่งก็จะถอนออกมาออกมาเริ่มคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใหม่ถ้าอยากจะกลับเข้าไปเสพความสุขนั้นอีกเราก็พุทโธใหม่ดูลมหายใจใหม่ถ้าไม่คิดอะไรเดี๋ยวก็กลับเข้าไปสู่ความสุขนั้นได้อีก ต่อไปเราก็จะใช้วิธีนี้หาความสุขเพราะเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้ไม่ต้องใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้ง่ายเป็นความสุขที่ง่ายง่ายกว่าความสุขที่เราได้จากการดูละครจะดูละครก็ต้องมีละครให้ดูจะกินขนมก็ต้องมีขนมให้กินจะเดืมเครื่องเดิมก็ต้องมีเครื่องเด่มให้เด่ม จะไปเที่ยวก็ต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ไปนอกจากจนั้นร่างกายก็ยังต้องสมบูรณ์แข็งแรงด้วยถ้าร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปไม่ได้หรือร่างกายแข็งแรงแล้วแต่ถ้าไม่มีเงินก็ไปไม่ได้อยากจะไปดูหนังไม่มีเงินจ่ายค่าตัว๋วก็ไปดูไม่ได้อยากไปเที่ยวไม่มีเงินจ่ายค่าเที่ยวก็ไปไม่ได้นั e ้นการหาความสุข แบบที่พวกเราหากันอยู่นี่เป็นความสุขที่วุ่นวายที่ยุ่งยากความสุขที่ง่ายๆพวกเรากลับไม่หากันให้นั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปท่านี้เองถ้าอยู่กับพุโทโธได้ไม่นานห้านาทีสิบนาทีก็ได้ความสุขแล้วปัญหาคือเราพุโทโธไม่ได้ถึงนาทีหนึ่ง ให้พุทธโธเนี่ยได้แค่สองสามคำเดี๋ยวก็ไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ละลืมพุทธโธไปให้ดูลมก็ดูได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราจึงนั่งไม่สงบกันนั่งแล้วไม่ได้ความสุขกันเราก็เลยไม่อยากนั่งกัน mm hmm. เพราะเราขาดสติสติเรามีกําลังน้อยมาก เราจึงควรที่จะมาฝึกสร้างสติกันสร้างสติกันก่อนที่เราจะมานั่งพยายามขยันพุโทโธพุโทโธไปเวลาที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับเรื่องที่จำเป็นอย่าปล่อยให้คิดเพ้อเจ้ออย่าให้คิดบุงแต่งคุยกับตัวเองเรามักจะชอบคุยกับตัวเราเองด้วย ทำอย่านี้ดีไหมทำอย่างงั้นดีไหมอยู่ที่นี่ดีไหมหรือไปที่นู่นดีไหมเนี่ยเราอยากคุยกับตัวอยากคุยกับตัวเราเองหยุดคุยกับตัวเราเองครับหยุดด้วยพุทโธพุทโธพุทโธไปพอจะคุยก็ใช้พุทโธพุทโธไปพอมันหยุดคุยเราก็หยุดพุทโธได้ให้รู้เฉยๆถ้าใจเราหยุดคิดแล้วก็จะ ใจก็จะเหลือแต่ตัวรู้ตัวใจเรามีสองส่วนส่วนต่วก็คือตัวคิดอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวรู้พอถ้าเราไม่คิดเราก็จะเหลือแต่ตัวรู้ตัวรู้ก็จะไม่ต้องทำอะไรก็ให้รู้เฉยๆรู้ว่าเรากาลังทาอะไรกำลังเดินก็รู้ว่าเรากำลังเดินกาลังยืนกำลังนั่งกำลังอาบน้ำกำลังนั่งหน้ากำลังแปลงฝวันให้รู้เฉยๆ ถ้าเรารู้เฉยๆได้แล้วใจเราจะว่างจะเย็นจะสบายจะมีความสุขจะไม่หิวโหวยกับรูปเสียงกลิ่นรสจะไม่หิวกับการไปซื้อข้าวซื้อของไม่หิวโหวยกับการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ใจมีความอิ่ม น, นการฝึกสตินี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์มากมีมีความสุข มากกว่าการได้เงินทองมาร้อยล้านพันล้านมีความสุขมากกว่าการได้เป็นใหญ่เป็นโตไม่เชื่อลองทำดูลองฝึกสติดูลองควบคุมความคิดดูอย่าปล่อยให้คิดอย่าคุยกับตัวเองให้รู้เฉยเฉยถ้ารู้เฉยเฉยแล้วใจจะเย็นใจจะสบายไม่หิวไม่อยากกับอะไรอนนี้คือ ถ้าเกิดความมีความอยากขึ้นมาพระทธาจาวกสอนให้เราใช้ปัญญามาหยุดความอยากสอนให้เราเห็นว่าการทำตามความอยากจะพาเราไปพบกับความสุขตอนต้นแล้วเดี๋ยวก็จะต้องเจอความทุกข์เพราะสิ่งที่เราได้ที่ให้ความสุขกับเราเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหรือหมดไปหรือจากเราไป พอได้อะไรมาใหม่ๆก็จะมีความสุขเพราะสิ่งที่เราได้มาเปลี่ยนไปความสุขที่ได้จากเขาก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่เช่นคนที่เราคบค้าสมาคมเป็นแฟนเวลาเป็นแฟนใหม่ๆก็ดีไปหมดเอาอกเอาใจทุกอย่างแต่งงานกันใหม่ๆก็มีความสุข แต่พอไประยะหนึ่งเขาเริ่มไม่เอาใจเราแล้ ว, ลวเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาเริ่มเอาใจตัวเขาเองเราอยากให้เขาทำอะไรเขาก็ไม่ทำให้เราล่ะอยากให้เขาพาเราไปเที่ยวเขาก็ไม่พาเราไปเที่ยวพออย่างนี้ความสุขที่เคยได้จากเขาก็หายไปความเสียใจก็ตามมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแบบนี้มันจะดีตอนต้นดีตอนที่เราได้มาใหม่ๆ เราเดี๋ยวสักระยะหนึ่งมันจะเปลี่ยนไปแม้แต่เข้าของที่เราซื้อมาก็เหมือนกันเวลาซื้อมาใหม่ๆมันใช้ได้ดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆเวลาซื้อมาใหม่ๆมันดีแต่ใช้ไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันเริ่มเสียแล้วพอมันเสียความสุขที่เราได้จากมันก็หายไป มีแต่ความทุกข์แล้วสมีแต่เรื่องปวดหัวจะ ต, ต้องคอยส่งไปให้ร้านคอยให้ซ่อมช่วงที่ส่งไปที่ร้านก็ไม่มีอะไรให้เราดูไม่มีอะไรให้เราฟัง เ, ออเราก็จะรู้สึกเหงารู้สึกไม่สบายใจออนี่คือปัญญาเวลาที่ใจเรามีความว่างมีความสงบแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมาหัดคิดในทางปัญญาบ้าง คิดว่าสิ่งที่เราอยากได้มันให้ความสุขเราเดียวเดียวเดียวมันหมดเราก็ต้องไปหาใหม่ถ้าหาไม่ได้เราก็จะวักเราก็จะเหงาเราก็จะเศร้าเราก็จะว้าเวยสู้กลับไปหาความว่างดีกว่าอยู่กับความว่างดีกว่าอย่าไปทำตามความอยากทำใจให้ว่างหยุดคิดดีกว่าหยุดทำใจให้สงบ ไปนั่งสมาธิดูลมหายใจพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวใจสงบแล้วก็จะสบายอิ่มเหมือนกับได้ไปทําตามความอยากแล้วถ้าเราทําอย่างนี้ต่อไปความอยากมันก็จะไม่มากลับมารบกวนเราถ้าเราทําตามความอยากความอยากมันก็จะกลับมารบกวนเราเรื่อยๆพอได้ไปเที่ยววันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็กลับมารบกวนมาชวนเราไปเที่ยวใหม่ พอได้ซื้อข้าวของที่เราชอบในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มาชวนเราไปซื้อใหม่แล้วถ้าเราไปไม่ได้หรือเราไม่มีเงินไปซื้อเราก็จะเราก็จะเศร้าเราก็จะเหงาเนี่นี่คือความทุกข์ที่เราได้จากการที่เราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไป ถ้าเราเห็นว่ามันจะเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้ไม่อยากไปทำตามความอยากเราก็อยู่เฉยๆดีกว่าอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบดีกว่าคอยกำจัดความคิดความอยากไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความอยากต่างๆมันก็จะหมดไปพอหมดไปแล้วทีนี้ใจเราก็จะเย็นจะสงบไปตลอดไม่มีอะไรมารบ ก, กวนใจอีกต่อไป ใจเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเวลาไม่มีร่างกายก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วเรามีความสุขในใจในตัวเราเองที่เราสามารถควบคุมความคิดควบคุมความอยากต่างๆได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปและร่างกายที่เรามีอยู่นี้ เวลามันแก่ม right ันเจ็บม like ันตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องอาศัยมันที่เราเดือดร้อนเพราะเรายังเรายังอาศัยร่างกายอยู่ถ้าเรายังอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่เราก็จะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายกันพอเราไม่อยากมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจเกิดจากความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย ความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ทำให้เราทุกข์ใจความทุกข์ใจเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะเรายังอยากจะใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆอยู่นั่นเองแต่ถ้าเราเลิกหาความสุขได้เราไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขได้เราก็ไม่ต้องเราก็จะไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตาย มันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ได้มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บเพราะเราไม่ได้ใช้มันให้มันอยู่เฉยๆเรามาทำใจให้สงบได้หาความสุขจากการทาใจให้สงบก็ไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมาฝึกฝนอบรมกันเพราะร่างกายนี้เราพึ่งมันไม่ได้ไปตลอด เดี๋ยวต่อไปมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วตอนนั้นถ้าเรายังต้องต้องใช้ร่างกายอยู่เราก็จะไม่สามารถใช้มันได้ไม่สามารถหาความสุขด้วยร่างกายได้แต่ถ้าเรามาฝึกหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะเจ็บเราก็ยังมีความสุขได้ไปนอนโรงพยาบาลเราก็ทำสมาธิได้ ทำในเตียงก็ได้ทำใจให้สงบก็ได้เราสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่แก่จะเจ็บหรือไม่เจ็บจะตายหรือไม่ตายนี่เป็นความทางเลือกอีกทางหนึ่งการหาความสุขที่แท้จริงเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เป็นความสุขที่จะเราสามารถหาได้ตลอดเวลา เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้สถานที่ท่องเที่ยวไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้ไม่ต้องใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาประกอบให้ความสุขกับเราเราเพียงแต่รู้จักทําใจให้หยุดคิดทําใจให้ว่างทําใจให้สบายแล้วเราก็มีความสุขในตัวของเราได้สิ่งเหล่า น, นี้พวกเราทุกคนทํากันได้ ไม่จำเป็นว่าจะเป็นพระหรือเป็นโย ม, มการเป็นพระเป็นโยมนี้เป็นเพียงแต่ทำให้มีโอกาสทำมากทำน้อยเท่านั้นเองถ้าเป็นพระก็จะมีเวลาว่างมากเป็นพระก็ไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องไปยุ่งกับคนนั่นคนนี้ไปยุ่งกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะมีเวลามาพุโทโธพุโทโธมาควบคุมใจให้สงบได้มากกว่าถ้าเป็นคารวะญาติโยม ก็ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินหาเงินหาทองเรื่องเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องดูแลคนนั่นคนนีเ้เวลาที่จะมาจะเจริญสติมาพุทธโธพุทธโธก็มีน้อยอทำได้น้อยอจึงทำไม่ค่อยได้ผลกันถ้าอยากจะได้ผลจะต้องไปอยู่คนเดียวอยู่แบบนักบวชไม่บวชก็ได้แต่อยู่แบบนักบวช คือไปอยู่ที่วัดเถ้าเรายังบวชไม่ได้เราก็หนีไปอยู่วัดเป็นพักๆ ก, ก็ได้หนีไปอยู่วัดทีละสามวันห้าวันไปอยู่คนเดียวไปฝึกสติไปหัดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธไปหัดหยุดความคิดหยุดความอยากกันถ้าเราไปทำเรื่อยๆต่อไปเราก็จะทำได้ต่อไปเราอยู่บ้านเราก็ทำได้ไม่ต้องไปวัดก็ได้ถ้าเรารู้จักทำ เพียงแต่เราก็หาห้องที่เราหลบเข้าไปอยู่คนเดียวเงียบๆไม่ให้ใครมารบกวนเราเวลาที่เราว่างไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครเราก็เข้าห้องเราไปไปนั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปดีกว่าไปนั่งดูหนังดูละครดีกว่าไปกินขนมไปเดิมเครื่องเดิมอะไรต่างๆกินกินได้แต่กินกินพอประมาณกินเพื่อร่างกายกินตามเวลา อย่าไปกินตามความอยากเดื่มก็เดื่มได้เดื่มน้ำเปล่าๆไม่ต้องเดื่มเครื่องเดื่มที่มีสีมีกลิ่นมีรสเพราะร่างกายต้องการน้ำอย่างเดียวต้องการไม่ร่างกายไม่ต้องการรสของกาแฟไม่ต้องการรสของน้ําตาลต้องการน้ำเพราะมันเป็นปัจจัยที่จะหล่อเลี้ยงร่างกายดังนั้นถ้าเราจะเดือมก็เดือมน้ำเปล่า ถ้าจะกินก็กินตามเวลาอย่าไปกินตามความอยากเมื่อยังไม่ถึงเวลากินก็ไปนั่งสมาธิแทนถ้าอยากกินเพราะจะได้ความอิ่มกว่าการไปกินกินก็ได้อิ่มทางร่างกายแต่ใจไม่อิ่มกินปป๊บเดียวเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วเดี๋ยวอยากจะกินอีกแล้วถ้าไปนั่งสมาธิแล้วใจจะอิ่มดีไม่ดีถึงเวลากินข้าวอาจจะไม่อยากกินก็ได้เพราะใจอิ่ม นี่นะคือวิธีที่เราจะควรจะหาความสุขกันเพราะเป็นความสุขที่เราสามารถหาได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะมีเงินมีทองหรือไม่มีร่างกายหรือไม่ร่างกายเจ็บไข้หรือไม่เจ็บไข้ร่างกายแก่หรือไม่แก่ร่างกายตายหรือไม่ตายเราสามารถหาความสุข ได้ตลอดเวลาเพราะเป็นความสุขที่เราใช้ใจเพียงอย่างเดียวไม่ได้ใช้ร่างกายไม่ได้ใช้เงินทองไม่ได้ใช้รูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้ใช้ตาหูจมกูกนิ้วกายอันนี้แหละเป็นความสุขที่เราจะสามารถมีได้ตลอดเวลาอแล้วไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะมันได้มาแล้วมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยเ ร, ยเราสามารถรักษาได้ ไม่มีใครมาแย่งจากเราไปได้ความสุขทางเงินทองทางเข้าของทางบุคคลนี่บางทีก็มีคนมาแย่งไปได้มีแฟนบางทีก็คนมาแย่งไปได้มีเงินทองก็มีคนมาแย่งเงินทองไปได้มีทรัพย์สินมีอะไรก็มีคนมาแย่งไปได้แต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่มีใครมาแย่งจากเราไปได้ เป็นของเราตลอดเวลาเป็นความสุขที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายแต่ไม่ได้หมายความว่าเราหายไปเราอยู่เพียงแต่อยู่แบบไม่มีร่างกายเหมือนตอนที่เรานอนหลับตอนที่เรานอนหลับเราก็ยังอยู่ใช่หัหะเพียงแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ต้องใช้ร่างกายให้ร่างกายนอนเฉยๆเราก็ อยู่กับความสุขทางใจถ้าทําบุญก็ได้ฝันดีถ้าฝึกสมาธิทําใจให้สงบก็จะได้ความสงบไม่ฝันแต่เป็นความสุขที่สงบที่เย็นที่สบายใจไม่มีวันตายเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวการปฏิบัติเพื่อไม่มาเกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะสูญหายไปไหนไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีความสุขมันหมายความว่าเราจะไม่มีความทุกข์เท่านั้นเอง เพราะว่าถ้าเราไม่เกิดแล้วเราก็จะไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายแต่เรายังอยู่เรายังมีความสุขสุขจากการทําใจให้สงบสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากอันนี้แหละเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกกาลังเสพกันอยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนท่านยังอยู่ท่านยังมีใจเหมือนเราเพียงแต่ว่าท่านไม่มีร่างกายเหมือนเราท่านเองท่านจึงไม่ทุกข์เหมือนเรา พราะเรายัางทุกข์อยู่ทุกข์เพราะมีร่างกายทุกข์เพราะมีความอยากเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็เสียใจเวลาได้มาแล้วเวลาเสียไปก็เสียใจเนี่ยเราอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวพอเราพอเรามาได้ยินว่าอยู่แบบไม่มีความทุกข์เรากลับกลัวเพราะเราคิดว่าเราไม่มีอะไรแล้วเราจะมีความสุขได้อย่างไร ลองทาดูสิลองปฏิบัติดูลองฝึกสมาธิดูลองฝึกสติดูลองพุโทโธพุโทโธดูลองหยุดความคิดดูแล้วจะดูว่าความสุขมันมีไหมแล้วเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขจากได้จากความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้หรือไม่เราจะเห็นความแตกต่างทันทีว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่ปราศจากความทุกข์ ความสุขที่พวกเรามีกันตอนนี้เป็นความสุขที่ห้อมล้อมด้วยความทุกข์เพราไม่รู้ว่าจะเสียมันไปเมื่อไหร่จะจากมันไปเมื่อไหร่ความวิตกความกังวลความหวาดกลัวนี้ก็เป็นความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการมีความสุขจากสิ่งต่างๆนั่นเองเพอมีความสุขจากสิ่งต่างๆแล้วก็กลัวจะสูญเสียมันกลัวมันจะจากเราไปหรือกลัวว่าเราจะต้องจากมันไป มันก็ทำให้เราทุกข์แล้วแต่ความสุขที่เราได้จากการทำใจให้สงบนี้ไม่มีวันจากเราไปแต่เรารู้จักทำแล้วเราก็ทำมันให้เกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆตลอดเวลา น, นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะลองมาฝึกกันดูลองมาชิมกันดูว่ามันเป็นอย่างไรลองมาฝึกสติกันดูลองหัดพุดโทโธพุโทโธดูลอง องตั้งใจสักวันหนึ่งว่าวันนี้จะพุโทโธไปไดเรื่อยเอยลืมตาขึ้นมาถ้ายังไม่ต้องใช้ความคิดถึงเรื่องงานเรื่องการก็ใช้พุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้คิดอย่าปล่อยให้คุยกับตัวเองพุโทโธพุโทโธไปอย่าบ่นว่าคนนั้นคนนี้อย่าไปวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพุโทโธพุโทโธหยุดเหมือน พอใจไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วใจจะเย็นจะสบายจะเห็นคุณค่าของการมีสติขึ้นมาทันทีเราจะทำให้ใจไม่หิวไม่อยากไม่มีอะไรก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรดูก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรฟังก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรกินก็ไม่เดือดร้อนใจว่างใจเย็นใจสบายเนี่ยพุทโธคำเดียวที่ทนันเองเพียงแต่ต้องทำหลายๆ ครั้งเท่านั้นเองต้องพุโทโธหลายๆรอบพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปคอยสังเกตด้วยยังคิดอยู่หรือเปล่าถ้ายังคิดอยู่ก็ต้องพุโทโธต่อไปถ้าไม่คิดก็ลองหยุดพุดโทโธก็ได้เราจะรู้สึกใจเบาขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นแล้วต่อไปจะเย็นมากขึ้นเบามากขึ้นจะอิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆใจยิ่งสงบมากเท่าไหร่ความสุขความเย็นความสบายก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไป ต่อไปเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขนอกใจไม่ต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายไม่ต้องมีเงินมีทองไปซื้อความสุขต่างๆขอให้เรามีเวลามีสถานที่เงี ย, งยบๆทะานั้นไม่มีใครมาลบกวนใจเราก็ทำใจให้สงบมีความสุขได้แล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแกเ่เจ็บตายต่อไป ถ้าเรายัางไม่ทำเราก็จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเกิดมาเล่า่วยหรือจนใหญ่หรื อ, รอไม่ใหญ่เดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันทุกคนฉะนั้นอยากกลับมาเกิดดีกว่าการจะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องมีสติทำใจให้หยุดความคิดหยุดความอยาก มีปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของการทำตามความอยากให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขออแล้วต่อไปก็จะไม่อยากได้อะไรออจะอยู่แบบสงบอยู่อย่างสบาย อ, อ, อยู่แบบไม่ต้องเกิด น, นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นานๆจะมีมาปรากฏในโลกนี้สักครั้ง การที่ได้มาพบกับคําสอนตรงนี้ถือว่าเป็นโชคมากเป็นเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพรนั้นถ้าอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเราต้องรีบไปขึ้นรางวัลอยากเก็บลอตเตอรี่ไว้ในกระเป๋าพอรู้ว่าถูกแล้วนี่รีบไปที่กองสลากอันนี้ก็เหมือนกันพอได้มาพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องรีบปฏิบัติปฏิบัติตามแล้วเดี๋ยวก็จะได้รับรางวัล แล้วจะได้รับความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผรอยะทาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลง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 สัพพโรโควินสศตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลิสะนิจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรมมวัฏานติอายุวันโอสุขังภาลา วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้จาก f a c e b o o สามร้อยห้าสิบเอ็ดยูร้อยเจ็ดสิบเก้าวิทยุออนไลน์สามสิบเก้ารับฟังบนเขาหกสิบสามรวมหกร้อยสามสิบสองค่ะอืมวันนี้สัญญาณดีไม่ขาดอ่ามีใครอยากจะถามอะไรไหม ฟังเทศแล้วยังไม่จุใจยังไม่อิ่มและยังสงสัยก็ถามได้ถ้ายังไม่มีคําถามหรือไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษมาให้พิธีกร อ, อ่านให้ก็ได้ตอนนี้เอาคําถามจากทางบ้านก่อนก็ได้ถ้ามีค่ะ ข, ขออนุญาตค่ะพระอาจารย์คําถามจากผู้รับฟังบนข่าวเขียนขึ้นมาค่ะเสียงไม่ดังเลยของคุณะ คำถามจากผู้รับฟังบนเขาถามเขียนขึ้นมาค่ะมี3คำถามนะคะคำถามที่1การสาธุกับคนที่ทำบาปมาเช่นเพิ่งฆ่าคนมาฆ่าสัตว์ลักขโมย้ายาเสพติดค้ามนุษย์หรือทำสิ่งผิดกฎหมายเป็นประจำเพราะเห็นพระชอบบอกว่าให้สาธุร่วมกันแบบนี้เราต้องไปเวียนไหวตายเกิดกับพวกเขาไหมคะ หรือต้องไปเกี่ยวข้องกับบาปเขาไหมคะเ อ, อ่อไม่เกี่ยวหรอกคาว่าสาธุแปลว่าดีแล้วนั้นเราไม่สาธุกับคนที่ทําบาปเราสาธุแต่คนที่ทําบุญทําความดีใครทําความดีแล้วก็สาธุสแสดงความยินดีให้เขาให้กําลังใจเขาคนทําบาปเราต้องประนามว่าให้หา่าง ไม่ดีอย่าไปสาธุเข้าใจไหมฉะนั้นคนทําบาปทําไม่ดีถ้าส า, า, สาธุเฉยๆไปถ้าว่าเขาไม่ได้ถ้าตักเตือนสอนเขาไม่ได้ก็เฉยๆไปพระทําไม่ดีพระพุทธเจ้ายัางว่าเลยว่าเธอนี่โง่คนที่ทําความชั่วทําความไม่ดีนี้เป็นคนโง่ไม่ฉลาดเพราะทําแล้วจะทําให้เกิดโทษกับตัวเอง ไม่ควรสาธุเฉะั้นไม่เกี่ยวกับการว่าเราจะไปเจอเขาหรือไม่มันเรื่องการจะไปเจอนี่มันถ้ายังกลับมาเกิดอยู่มันก็ต้องเจอกันอยู่เรื่อยล่ะไม่เจอที่นั่นก็ต้องไปเจอที่นี่ไม่เจอคนนั้นก็ต้องไปเจอคนนี้เพราะโลกที่เรามาเกิดนี่มันเป็นโลกที่มีคนดีคนไม่ดีปนกันไปเราจะไปเลือกว่าจะเจอแต่คนดีอย่างเดียวไม่ได้เลือกได้เหมือนกันแต่เราไม่ชอบเลือกกัน ถ้าอยากจะเจอคนดีอย่างเดียวก็ไปบวชสิไปบวชไปอยู่วัดเนี่ยส่วนใหญ่คนไปอยู่วัดเป็นคนมีศีลมีธรรมแต่เราไม่ไปเองเราชอบไปเลือกเพื่อนตามบาตตามผับเนี่ยตามบ่อนตามซ่องมันก็เลยเจอแต่พวกนี้แหละพวกคนไม่ดีทั้งหลาย <c oughs> ฉะนั้นมันอยู่ที่เรามากกว่าไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่การเลือกของเราอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให ให้เลือกคบบัณฑิตอยาคบคนคนพาลคือคนไม่ดีให้คบคนดีคนฉลาดคนดีคนฉลาดเราเลือกได้เราไม่เลือกเองเราไปเลือกคนไม่ดีแล้วมาบน่นว่าเราทาไมจึงมาเจอแต่คนไม่ดีเพราะการเลือกของเรานั่นเองไม่ใช่ใครหรอกข้อที่สองแล้วเราเที่ยวไปสาธุกับคนอื่นๆมากๆ ต้องไปชดใช้บุญที่สาธุไหมคะเพราะพระบอกว่าสาธุบุญได้บุญ 25% โดยไม่ต้องร่วมทากิจกรรมนั้นๆก็ตามคือการสาธุนี่มันอยู่ที่เหตุการณ์ถ้าเราเห็นคนเขาทำความดีเราก็สาธุไปสแสดงความยินดีให้กาลังใจของชื่นชมกับความทำความดีของเขาเราก็ได้รับความสุข จากการที่เราไปชื่นชมยินดีก็เป็นบุญอย่างหนึ่งแต่บุญที่ไม่ไม่เหมือนกับบุญที่เราทำเองบุญที่เราทำเองนี่มากกว่าบุญที่เราไปสาธุข้อที่สามการร่วมสร้างพระพุทธรูปต่างๆยันตรกุฎที่ทำเป็นพุทธพาณิชย์แบบนี้บาปไหมคะเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นไสยศาสตร์ เดรัชฉานวิชาถึงแม้เขาจะอ้างว่าทำมาเพื่อสร้างโบสถ์และวิหารก็เป็นความหลงไงทำแล้วไม่ทำให้เกิดปัญญา mm hmm. เกิดกุศลทำให้งอทำให้หลงติดอยู่กับการกระทำที่ไม่ถูกก็จะไม่ได้ไม่เจริญก้าวหน้าในธรรมไม่ควรจะทำกิจที่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้ทำ ต่อไปคำถามจากเฟ e บุ o k คุณทอมมี่กราบพระอาจารย์ค่ะน้องสาวฝันถึงปู่เลยอยากทำบุญอุทิศให้ซึ่งมีคนแนะนำว่าต้องใส่ทำบุญเป็นอาหารที่ปู่ชอบเท่านั้นเพราะเขาหิวสมมุติว่าถ้าปู่อยู่ในสถานะที่ต้องการรับบุญจริงๆเราสามารถทำบุญเป็นเงินหรือผ้าไตรน้ำดื่มอุทิศแทนได้ไหมคะ ปู่จะอิ่มบุญเช่นเดียวกันไม่จาเป็นต้องเป็นอาหารที่ปู่ชอบเท่านั้นใช่ไหมคะก็บุญนี่มันเกิดขึ้นได้ด้วยการเสียสละข้าวของเงินทองของเราให้แก่ผู้อื่นไปบุญนี่เป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกนยพอผู้รับบุญไปแล้วเขาก็สามารถที่จะเอาไปแปลงเป็นอาหารที่เขาชอบได้โดยอัตโนมัติ งั้นเราทําบุญแบบไหนก็ได้ขอให้มันเป็นบุญแล้วเราก็อุทิศบุญนี้ไปให้กับผู้ที่ร่วงรับถ้าเขารับเขาก็จะสามารถแปลงให้มันเป็นสิ่งที่เขาต้องการได้เหมือนเงินเนี่ยพอได้เงินแล้วเขาอยากจะเอาไปซื้อข้าวก็ซื้อได้อยากจะไปดูหนังก็ไปดูได้อยากจะไปซื้อเสื้อผ้าเขาก็ซื้อได้งั้นบุญนี้เป็นเหมือนเงินอย่างที่เมื่อกี้ได้อธิบายให้ฟังในตอนต้นเราส่งเงิน ส ก, กุลที่เขาใช้ได้ส ก, กุลที่เขาใช้ได้เรียกว่าบุญเราก็ทำบุญส่งไปให้เขาแล้วเขาก็าไปซื้อของในโลกทิพย์ของเขาได้ต่อไปคำถามจากคุณบุญพงศ์การทำบุญจำเป็นต้องทำกับพระเสมอไปหรือเปล่าถึงจะได้บุญกรณีที่ทำให้พ่อแม่ เช่นให้เงินท่านเอาไว้ใช้ทุกๆเดือนจะถือว่าทาบุญหรือเป่าคากราบสาธุคะ่ะทากับใครก็ได้ได้บุญเหมือนกันเพียงแต่ว่าที่เราเลือกทากับพระก่อนก็เพราะว่าเราเป็นชาวพุทธเราอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าจะอยู่ในโลกนี้ได้ก็ต้องมีพระมาศึกษามาปฏิบัติ แล้วก็มาถ่ายทอดคำสอนนี้มาให้กับพวกเราเราจึงต้องทำบุญกับวัดกับาศาสนาก่อนถ้าเราอยากจะมีาศาสนาไว้เป็นที่พึ่งแต่ถ้าเร า, ราศาสนาพอเพียงแล้วพระท่านอยู่ดีกินดีแล้ววัดวารามพร้อมแล้วเราจะทำกับคนอื่นก็ได้ หรือเราจะแบ่งทําพร้อมๆกันก็ได้ทํากับวัดด้วยทํากับคนที่บ้านด้วยทํากับพ่อกับแม่ทํากับปูย่ย่าตายายทํากับใครก็ได้ได้บุญทั้งนั้นแต่ธรรมดาเรามักจะเลือกทํากับคนดีก่อนเพราะว่าคนดีทําประโยชน์ถ้าเราไปทํำกับคนไม่ดีเขาก็ไปทำทำร้ายทําความเสียหายให้แก่ผู้อื่นได้ เราจึงมากหนิกเลี่องไม่ทํากับคนไม่ดียกเว้นว่าในกรณีเป็นเรื่องของมนุษยรธรรมคือถ้าเขาขาดแคลนปัจจัยสี่ถึงแม้ไม่ดีเราก็ก็ช่วยเหลือพอบรรเทาให้เขาอยู่ได้เช่นเวลามีไฟไหม้มีน้ําท่วมเราไม่ไรู้เราไม่รู้ว่าคนที่เราไปช่วยนี้เป็นคนดีแล้วไม่ดีตอนนั้นเราไม่สนใจว่าเขาดีไม่ดีตอนนั้นเรารู้ว่าเขาขาดแคลนเขา ต้องมีปัจจัยสีมีอาหารมียามีอะไรเราก็ช่วยไปแบบนั้นได้แต่ถ้าเราในกรณีที่เราเลือกคนเราก็ต้องเลือกทำกับคนดีจะดีกว่าทำกับคนไม่ดี yeah. คําำถามจากคุณนิวาโตกราบนมัสการพระอาจารย์ในการทำบุญทำทานก่อนจะทำต้องสมาทานศีลห้าก่อนไหมเจ้าคะ อ, อ๋อไม่เกี่ยวกัน เรื่องศีลก็เรื่องศีลเรื่องทำบุญทาทานก็เรื่องทำบุญทาทานคนไม่มีศีลก็ทำบุญทาทานได้การสมาทานก็ไม่ใช่หมายความว่ามีศีลการสมาทานก็เป็นเป็นการตั้งตั้งใจว่าจะรักษาศีลเท่านันน้นเองถ้าสมาทานแล้วไม่รักษามันก็เหมือนกับไม่ได้สมาทานยังไม่เกี่ยวกันการทำบุญนี่ทำได้โดยที่ไม่ต้องรักษาศีลก็ได้ เป็นโจรไปขโมยเงินเข้ามาแล้วมาคิดเสียใจไม่เอาดีกว่าเงินที่ขโมยมาเอาไปทำบุญดีกว่า อ, อย่างนี้ก็ยังทำได้แต่บาปที่ทำจากการขโมยก็ยไม่หายนะเอาเงินที่เราขโมยมานี่ไปนอกจากไปคืนเจ้าของนั้นๆอาจจะหายถ้าเราสํานึกผิดว่าโอ้ยเราทำไม่ถูก เราเอาเงินที่เราขโมยม า, มานี่ไปคืนเจ้าของเขาอย่างนี้บาปที่เราทำก็อาจจะหายไปได้เพราะเราไปชดเอาเงินไปคืนเขาแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราขโมยไปทำบุญนี่บาปที่ทำไม่หายแต่เราได้บุญจากการที่เราเอาเงินขโมยนี้ไปทำแต่บุญที่ได้มานี่มันมาล้างบาปที่เราทำไม่ได้เราจะต้องรับทั้งสองส่วนบาปก็ต้องรับบุญก็ต้องรับ เช่นไปติดโคก่าจะมีคนส่งข้าวให้กินเพราะได้ทำบุญไว้ถ้าไม่ได้ทำบุญไปติดโค ก, ก็ไม่มีใครส่งข้าวให้กินคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเมื่อวานลูกพาคนไปหาหมอคนข้างบ้านค่ะเขาเดินไม่ได้ป่วยค่ะ อันนั้นจะเรียกว่าเป็นการทำบุญไหมคะแต่ลูกคิดว่าคือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะนั่นหละ ก, ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนบุญสิบประการด้วยกันบุญที่ช่วยเหลือผู้อื่นนี่ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งในบุญสิบประการนี้ทำแล้วทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาเวลาเราได้ทำความดีได้ช่วยเหลือผู้อื่นนี่แหละเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตา การแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ได้แผ่ด้วยการสวดเราชอบแผ่เมตตาด้วยการสวดความจริงไม่ได้แผ่เมตตาเป็นการสวดการสวดนี้เป็นการเตือนเราสอนเราให้รู้ว่าถึงเวลาที่มีเหตุการณ์จะให้เราต้องแผ่เราต้องแผ่เมตตาเช่นไปเจอคนทุกข์ยากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ ถ้าเราอยากจะแผ่เมตตาเราทำตอนนั้นช่วยเหลือเขาเราก็จะได้แผ่เมตตาถ้าเราไม่ช่วยเหลือเขาเราก็ไม่มีเมตตาต่อเขาคำถามจากคุณบินิเมตอยากกราบพระอาจารย์ว่าเราตั้งใจทำงานให้สําเร็จด้วยความตั้งใจและความพยายามแต่ผลไม่ได้เป็นไปตามความตั้งใจควรคิดอย่างไรคะ กำลังท้อใจเพราะเราทำเต็มที่ดีที่สุดแล้วแต่บางอย่างก็ควบคุมไม่ได้ค่ะนั่นสิเมื่อมันควบคุมไม่ได้ก็ต้องยอมรับตามสภาพเหมือนชาวนาชาวไร่บางปีก็ปลูกข้าวได้เยอะบางปีก็ปลูกข้าวได้น้อยเพราะควบคุมเรื่องน้ำเรื่องเรื่องอะไรไม่ได้บางทีมันก็แรงปลูกแล้วก็ออกรวงน้อยบางปีน้าดีก็ออกรวงเยอะ บางตีน้ำท่วมก็เสียหายหมดเป็นผลที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดผลบางอย่างแล้วไม่ไดีอยู่ในการควบคุมบังคับของเราเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอย่าไปหวังที่ผลมากจนเกินไปขอให้เราทำเหตุของเราส่วนของเราให้ดีให้พร้อมก็แล้วกันส่วนเหตุที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เราก็ต้องอยอมรับสภาพไป คำถามจากคุณวิขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับการทำสติก่อนที่จะไปนั่งสมาธิอย่างละเอียดด้วยเจ้าค่ะเนื่องจากฟังมาหลายครั้งแต่ยังปฏิบัติไม่ได้เจ้าค่ะสติก็คือการมีความสามารถที่จะหยุดความคิดนี่ยถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้ก็สแสดงว่าเรายังไม่มีสติ เหมือนรถเนี่ยรถที่เราอยากจะให้มันหยุดแล้วก็ต้องมีเบรกใช่ไหมถ้าเราเหยียบเบรกแล้วมันไม่หยุดก็แสดงว่าไม่มีเบรกเบรกไม่มีกําลังที่จะหยุดรถเราก็ต้องเข้าอู่ให้ให้ช่างเขาเช็คดูว่าทำไมเหยียบเบรกแล้วรถมันถึงไม่หยุดช่างเขาเช็คดูว่าเปลอ้อมผ้าเบรกมันไม่มีแล้วมันหมดแล้วต้องเปลี่ยนผ้าเบรกพอเปลี่ยนผ้าเบรกทีนี้เหยียบเบรกปั๊บรถก็หยุดได้ ความคิดเราก็เหมือนรถที่วิ่งถ้าเราอยากจะหยุดความคิดเราก็ต้องใช้สติสติก็คือการรู้ว่าเราคิดกำลังคิดอะไรอยู่ถ้ารู้ว่ากำลังคิดอะไรแล้วเราบอกให้มันหยุดได้ก็แสดงว่าเรามีสติถ้าเรารู้ว่ามันคิดแล้วเราหยุดมันไม่ได้ก็แสดงว่าสติเรามีกำลังไม่พอถ้าไม่มีกำลังพอเราก็ต้องไปเสริมสติเหมือนไปเปลี่ยนผ้าไปเสริมผ้าเบรก วิธีเสริมภาาเสริมสติก็ให้เราหมั่นพุโทโธพุโทโธไปเรื่อย เ, อเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดแล้วใจมันชอบคิดเลือ่อเปื่อยชอบคุยกับตัวเองก็ใช้พุโทโธพุโทโธเข้ามาหยุดเหมืนอนพอรู้ว่ากําลังคิดเรื่องไม่จําเป็นกําลังคิดเพ้อเจ้าเพ้อฝันก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปอย่างนี้มันก็ทําให้เราหยุดคิดได้ แล้วต่อไปพอสติเรามีกําลังมากพอรู้ว่าคิดปั๊บก็บอกให้มันหยุดได้มันหยุดคิดปั๊บเราก็ไม่ต้องใช้พุทโธแสดงว่าเรามีสติเรามีกําลังที่จะหยุดความคิดได้แล้วถ้ารู้ว่าคิดเราอยากจะให้มันหยุดแต่มไม่ยอมหยุดเราก็ต้องใช้พุทโธหยุดมันพุทโธพุทโธพุทโธไป หรือเวลาโกรธอยากให้มันหยุดโกรธนี่ก็ต้องใช้พุโทโธพุธโทโธไปเวลาโลภมันไม่ยอมหยุดโลภ ก, ก็ต้องใช้พุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวมันก็หยุดถ้าเราไม่หยุดพุโทโธคำถามต่อไปจะคุณนิตยากราบนามัสการเจ้าค่ะโยมพาหลานไปใส่บาตรแล้วพระท่านเมตตาให้ขนมหลานแต่ท่านให้หลานหยิบเอาเองในบาตรท่านบอกว่าชอบอันไหนก็หยิบเอา อย่างนี้หลานจะบาปไหมคะออไม่หรอกถ้าท่านเมตตาอนุญาตนีคำถามจากคุณอุรารินขออนุโมทนาสาธุกับขอโทษค่ะเป็นคำบอกค่ะ <c oughs> คำถามจากคุณอัญญารัตน์ คนเอาสินค้าที่บ้านไม่ยอมจ่ายเงินแต่เขาชอบทำบุญตั้งโรงทานตามวัดต่างๆทำอย่างไรถึงจะเก็บหนี้ได้คะก็ทวงสิก็ต้องทวงหนี้เ๋ยวหน้าก็ทวงถ้าเขายังไม่จ่ายก็เอาตำรวจมาช่วยทวงเอาไปเอาสารมาช่วยทวงเดี๋ยวก็ได้เองคำถามจากคุณพลพิทักษ์กราบสอบถามครับ ถ้าเราวิ่งออกกําลังกายถือว่าผิดศีลแปดไหมครับออไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่า อ, อยู่ที่ว่าเราถือศีลแปดแบบไหนถ้าเราถือศีลแปดแบบมีเครื่องแบบด้วยเช่นนุ่งขาวห่มขาวอย่างนี้เราไปวิ่งมันก็ดูแล้วไม่สวยงามมันไม่เหมาะกับเครื่องแบบของเราแต่ถ้าเราถือศีลแปดแบบไม่มีเครื่องแบบ ไม่มีใครรู้ว่าเราถือศีลแปดเราจะไปวิ่งก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะมันก็ไม่ได้ทมันไม่ได้ทำผิดศีลข้อไหนอย่างผ้านี้ไปวิ่งก็ไม่เหมาะใช่ไหมเพราะเขาไม่เพ ค, คนที่เขาถือศีลเขาอยากให้สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยถ้าอยากจะออ ก, กําลังก า, กายก็ให้เดินจงกรม หรือพระอยากออกกําลังกายก็ไปบินทบาสเนี่ยเดินบินทบาสเดินจงกรมเนี่ยเป็นวิธีออกจงวิธีออกกําลังกายของนักบวชของผู้ที่มีศีลผู้ที่ถือศีลไม่ไปตีเทนนิสไม่ไปตีกอล์ฟไม่ไปไว่ายน้ําไม่อะไรอันนี้มันเป็นการออกกําลังกายของผู้ที่ไม่ถือศีลต้องแยกแยะ ก, กันอแต่เป็นการออกกําลังกายได้เหมือนกันอ คำถามต่อไปจะคุณสิริเพนกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการทำบุญวันเกิดถ้าไม่ทำที่วัดแต่เลือกฟังธรรมที่พระอาจารย์ไลฟ์สดอันไหนได้บุญมากกว่ากันคะสาธุคัมันบุญคนละอย่างไงบุญที่เกิดจากการฟังธรรมมันก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นเหมือนยามากกว่าฟังธรรมจะได้ปัญญา ปัญญาก็จะมาดับโรคภัยไข้เจ็บคือความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับเราแต่ถ้าอยากจะให้มีความอิ่มใจก็ต้องทำบุญด้วยการสละเงินทองข้าวของให้กับคนอื่นไปทำทานนั้นบุญมันมีหลายชนิดเป็นเหมือนเป็นเหมือนอายาหรือเหมือนอาหารที่มีมีประโยชน์ต่างกัน ทำทานก็ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งรักษาศีลก็ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งฟังเทศฟังธรรมก็ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งดนั้นอยู่ที่ว่าเราต้องการอย่างไหนคำถามจากคุณอนัญญากราบเรียนถามท่านอาจารย์การทำบุญอุทิศให้แก่ปู่ย่าตายายที่เราเกิดมาไม่ทันขณะท่านมีชีวิตอยู่ท่านเหล่านั้นจะได้รับบุญจากเราหรือไม่คะ ไม่แน่หรอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าท่านเป็นเทวดาหรือเป็นเปรตเนี่ยถ้าท่านเป็นเปรตท่านมารอรับบุญท่านก็จะได้รับถ้าท่านเป็นเทวดาท่านก็ไม่มารอรับบุญเห็นเราก็ทำไปไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผู้รับทำเผื่อไว้ก็แล้ว ก, กันเพราะไหนๆทำแล้วเราก็อุทิตได้ก็อุทิตไปดีกว่าไม่อุทิตหรืออุทิให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไปก็ได้เพราะว่าดวงวิญญาณหลาย ดวงด้วยการที่ไม่มีญาติพี่น้องที่เชื่อในเรื่องบุญตายไปเขาก็ไม่ทำบุญอุทิศให้ถ้าเราอยากจะมีความเมตตาอยากจะแผ่เมตตาเราก็แผ่เมตตาด้วยการอุทิศบุญนี่ได้ต่อไปเป็นคำบอกเล่าจากคุณเชเบลของนิยาติอ่านค่ะหนูได้ทำบุญกับเพื่อนที่ยืมเงินหนูไปแล้ว ไม่มีคืนที่เคยถามพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกว่าถ้าเขาไม่คืนก็ให้เขาไปเลยวันนี้หนูบอกเขาว่าไม่เอาแล้วรู้สึกอิ่มบุญมากเจ้าค่ะไม่เร่าร้อนกลัวเขาไม่คืนเหมือนแต่ก่อนค่ะเออนั่นแหละก็เป็นการทำบุญอีกแบบหนึ่งถ้าเรายังอยากได้คืนมันก็จะทำให้เราเกังวนกาวายก็สับก็าสายกินไม่ได้นอนไม่หลับ แล้วเวลาเจอหน้าเขาก็จะโกรธเขาจะเกลียดเขาแต่พอเราคิดว่าเขาเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือเขาทําบุญไปแล้วเราก็เกิดความสุขใจสบายใจเกิดความเมตตาขึ้นมานี่ก็เป็นการแผ่เมตตาอีกแบบหนึ่งให้อภยัยยกโทษให้ยกหนี้ให้เอาเวลาโหนตุไม่ทวงหนี้ไม่จองเวรจองกรรม คำถามจากคุณอารยากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะมีเพื่อนสนิทเป็นนักการทนันเขาชอบเอาเงินมาให้ใช้ด้วยความสเสน่หาแต่ดิฉันไม่เคยหยิบเงินเขามาใช้และดิฉันได้แจ้งเรื่องนี้ให้ครอบครัวดิฉันรวมทั้งเพื่อนสนิทได้รู้ด้วยว่าวันนี้เก็บเงินให้ได้มากถึงห0 0 0 0่นบาทจึงออกุบายชวนเขาไปซื้อสลากอมสินใช้ชื่อเขาทั้งหมด ด้วยเขาเป็นนักเล่นกลัวเขาจะใช้ไปเล่นหมดจึงบอกว่าให้เอาสลากนั้นมาให้เรายืมเป็นคำประกันธุรกิจเราด้วยหวังดีแบบนี้ดิฉันจะผิดศีลไหมคะไม่หรอกก็ไม่ได้ขโมยเงินเขาเนี่ยก็ทําแบบตรงไปตรงมามคำถามจากคุณพิมพรกราบเรียนพระอาจารย์เจ้าคะ่ะถ้าหนูไม่ได้ฟังเทศและคำสอนพระอาจารย์ พอใจเกิดศรัทธาอยากจะทําแต่บุญค่ะและทําให้เรามีศีลมีธรรมบุญคือการให้ให้แล้วมีความรู้สึกพอสุขแล้วใจเราก็สงบพอสงบแล้วความเพียรมากขึ้นขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะที่สอนให้ทุกคนได้ฟังเทศและคนที่ได้ปฏิบัติตามคําสอนแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราแบบมีความสุขมากๆและเรามีสติปัญญาที่ดีขึ้น ปฏิบัติตนแบบคนดีมากขึ้นมีใจอยู่กับธรรมะมากขึ้นกราบอนุโมทนาบุญและความเมตตาค่ะแต่ที่อ่านนี้อยากจะถามเพิ่มเติมของตัวเองค่ ะ, <c oughs> ค, ะคือหลังจากเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วแต่พอเกิดไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเราพยายามจะใช้ปัญญาในการตัดกิเลสที่เกิดขึ้นทีนี้พอเราใช้ไม่ทันเนี่ยเราก็ย้อนกลับมา สอบตกไงสอบตกทําการบ้านไม่พอกลัมาทําการบ้านมาดูหนังสือใหม่เวลาที่เขาจะสอบเป็นตํารวจสอบเป็นทหารสอบเป็นอะไรบางทีเขาสอบตกคเขาก็ดูหนังสือไม่พอแล้วก็กลับมาดูใหม่กลับมาพิจารณาให้บ่อยขึ้นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา ต้องต้องกลับไปบริกรรมพุโทโธหรือเข้าสมาธิไม่ต้องถ้าปัญญาก็ให้พิจารณาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอแล้อถ้าเป็นของที่เราอยากได้เช่นะอาหารก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่น่ากินเพราะเวลามันเข้าปากแล้วมันไม่น่ากินะหรืออยู่ในท้องเจียนออกมาเนี่มันไม่น่ากินเอให้ดูแบบนั้นอย่าไปดูตอนที่มันอยู่ในจานอยู่ในจานแล้วเห็นแล้วน้ําลายไหลยอยากกิน พอเห็นตอนที่มันอาจเจียนออกมาแล้วมันไม่อยากกินนะมันก็อาหารอย่างเดียวกันนะเพียงแต่เปลี่ยนสภาพเปลี่ยนหน้าตาเท่านั้นเองถ้าเป็นคนก็ดูตอนที่เขาตายบ้างดูตับตายไส้พุงเขาบ้างดูข้างในบ้างอย่าดูแต่ข้างนอกนี่มันก็จะทําให้ความรักหายไปอแล้วถ้าตอนที่เรารู้ไม่เท่าทันความโกรธเนี่ยเราจําเป็นต้องเพราะเราอย า, อยากได้มากไง ความอยากของเราพอไม่ได้เราก็เลยโกรธเห็นเราต้องระมัดระวังเรื่องความอยากต้องพิจ า, กการณาหวังว่าต้องได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ให้มันเป็นตามมีตามเกิดเช่นไปสั่งเด็กให้ซื้อให้ไปสั่งวิ๋วเตี๋ยวแล้วมาเข้าผัดมาให้ก็เข้าผัดก็ผัดวะกินมันก็เป็นอาหารเหมือนกันคนอื่นเขาเขากินได้เราก็กินได้ทำไมจะต้องเป็นวิ๋วเตี๋ยว สั่งมาแล้วแต่มันจําผิดเหมือนเอาเอามาผิดโต๊ะอย่างเงี้ยเอาไว้เตี๋ยวไปให้โต๊ะเอาเข้าวผัดมาให้โต๊ะหนึ่งเงี้ยเอามาให้หมาก็ากินมันไปออย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับคําสั่งความอยากของเราสั่งแล้วอยากเราทําไม่ได้ได้อะไรมาก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดมันก็จะไม่โกรธเราโกรธเพราะมันผิดหวังเพราะไม่ได้ดังใจอยากยังต้องหัดเปลี่ยนใจเราใหม่เปลี่ยนว่าเราอย่าไปหวัง ว่ามันทุกอย่างที่เราต้องการทุกทนจะเป็นไปตามที่เราต้องการเสมอมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น้วต่อไปก็จะไม่โกรธกราบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์คาถามจากคุณอุรารินถ้าเราติดหนี้เขานา น, านแล้วยังใช้เขาไม่หมดปัจจุบันเรามีกำลังจะใช้หนี้ได้แล้วแต่ไม่พบเจอเจ้าหนี้เราจะทำอย่างไรคะ กรรมจึงจะไม่ติดตามเราไปพบหน้าก็ลองค้นหาดูสิว่าเขาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็มีผ่านเฟซบุกก็ได้ผ่านอะไรก็ได้เวลาต้องการเงินเขาทำไมหาเขาง่ายเหลือเกินเวลาจะเกินเงินเขาทำไมหายากเหลือเกินความเพียรพยายามเรามันน้อยมั้งเพราะเราไม่มีความอะไรไม่มีอะไรมาจะผลักดันให้เราไปหาเขา ไม่เหมือนตอนที่เราอยากได้เงินของเขานี่มันมีความอยากมันผักดันให้เราไปหาก็าอยู่ที่ไหนยังหาเจอเลยแต่พอเวลาจ ะ, ะคืนเงินเข้านี่มันไม่มีความอยากจะคืนมันก็เลยเฉยเฉยถ้าไม่เจอก็ก็เฉยไปงั้น <laughs> <laughs> ถ้าอยากจะคืนเงาจริงๆก็ค้นหาดูสิที่อยู่เก่าไปที่อยู่เก่าก่อนแล้วก็ไปถามคนที่รู้จักเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก็เจอเองนะ่ะถ้าเขายังไม่ตาย ถ้าเขาตายก็ไปคืนให้กับพี่น้องเขาก็ได้คนที่เป็นคนที่รับมรดกจากเข า, า, ก, เขานะก็ไปให้ทายาทเขาก็ได้บอกว่านี่เคยเป็นหนี้เข้ามาตอนนี้ขอเอามาคืนถ้าเราพยายามจริงๆต้องเจอนะกลัวจะไม่พยายามนั่นี่คำถามจากคุณทิติพัฒน์กราบนมัสการถามครับ การนั่งสมาธิแล้วภาวนาพุทโธพุทโธต้องตามลมหายใจเข้าออกด้วยไหมครับหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือว่าแยกพุโทโธออกจากลมหายใจครับได้ทั้งสามอย่างน่ะพุโทโธกับลมก็ได้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้ลมอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จะชอบเหมือนคนที่สั่งพิซซ่าบางคนก็เอาสองรสมารวมกันในถาดเดียวบางคนก็เอารสเดียว แล้วแต่บางคนก็เอาสามรถเนี่ยแล้วแต่จะชอบแบบไหนก็สั่งเขาได้คำถามจากคุณกริช ค, คุณกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิชอบมีเสียงเคาะประตูแต่เวลาไม่นั่งไม่มีเสียงแบบนี้เป็นเพราะมีใครมาขอส่วนบุญหรือเปล่าครับ ก็ถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องสนใจรู้ว่าเป็นเสียงแล้วเราก็กลับมาพุทธโธของเราไปดูลมของเราไปบางทีเป็นกิเลสมันมาหลอกมายามามาหลอกเราเวลานั่งสมาธิมักจะมีมายามีอะไรมามาหลอกมาล่อมาคอยรบกวนเรานั้นเราต้องอย่าไปสนใจให้เรากะติดอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปหรือดูลมหายใจไป าาเดียยยวทุกกกอ่งง็็จะจะะหไปสบคำถามจากคุณจันจิดากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะการที่เรานั่งสมาธิจนเกิดสภาวะจิตนิ่งและปิติสุขอิ่มบุญในขณะทมสมาธิแต่หลังๆมานี้รู้สึกว่าจิตนิ่งเฉยไม่ยินดีในปิติสุขที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังมีสติรู้ในระหว่างปฏิบัติแบบนี้เรียกว่าอะไรเจ้าคะ ถ้ามันสงบ ว, งว่างเฉยก็เป็นอุเบกขาใหม่ๆมันอาจจะปิติสุขเพราะมันเป็นของแปลกแต่ต่อไปพอมันชินแล้วมันปิติสุขก็จะหายไปจะเหลือแต่อุเบกขาใจเย็นใจสบายใจไม่วุ่นวายกับสิ่งต่างๆซึ่งดีกว่าสุขหรือปิติเพราะสุขกับปิติมันเป็นของชั่วคราวอุเบกขานี่มันจะยาว แล้วเวลาออกจากสมาธิเราก็จะไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับจิตใจของเรายานถ้ามันเฉยๆมันมีความเย็ยนสบายก็ใช้ได้หมดแล้วเลยค ำ, คำถามหมดแล้วค่ ะ, ะการปฏิบัตินี่เวลาใหม่ๆเวลาสงบใหม่ๆมันจะมีปิติมีสุขว่ามันเป็นของแปลก แต่พอเรานั่งบ่อยๆเข้าแล้วมันชินแล้วทีนี้ปิติสุขมันก็จะไม่มีมันจะไปที่อุเบกขาเลยมันจะนิ่งเฉยสงบเย็นสบายเอไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอันนี้ดีกว่าเพราะความรักชังกลัวหลงนี้จะมาสร้างความวุ่นวายให้กับใจพอรักอะไรก็อยากได้พอชังอะไรก็อยากจะกําจัดมันพอกลัวก็จะอยู่ไม่เป็นสุขหรอก พอหลงก็จะวุ่นวายใจแต่ถ้าใจเฉยเป็นอุบเบกขาเย็นสบายใครจะมาใครจะไปใครจะเกิดใครจะตายใครจะดา่าใครจะชมใจก็เฉยได้สบายมีอีกไหมมีคำถามจากคุณพีโกค่ะเรียนถามพระอาจารย์ขอวิธีพิจารณาให้เกิดปัญญากับกิเลส ท, ที่มาครอบงำจิต ก็เราชอบอะไรเราก็ต้องพิจารณาสิ่งนั้นว่ามันมันมันไม่ได้เป็นสุขอย่างเดียวนะมันจะกลายเป็นความทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงสิ่งที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นอะไรเวลาได้มาใหม่ๆมันดีมันให้ความสุขกับเราแล้ว เ, เดี๋ยวสักระยะหนึ่งมันก็เสียได้เปลี่ยนได้หรือจากเราไปได้ แล้ตอนนั้นมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้ารู้ว่าเป็นความทุกข์เราก็จะได้หยุดความโลภหยุดความอยากได้อยู่กับความสงบดีกว่าความสงบนี้ไม่มีวันจากเราไปแต่สิ่งต่างๆที่เราได้มาไม่ช้า ก, ก็เร็วก็ต้องมีการพัดภาคจากกันเวลาพัดภาคจากกันก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันนี่คือปัญญาให้มองว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราว ไม่ใช่เราเอาติดตัวไปกับเราไม่ได้เดี๋ยวเราต้องจากโลกนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างเราหามาได้เดี๋ยวก็ต้องทิ้งไปหมดเวลาต้องทิ้งก็ต้องเสียใจร้องห่มร้องไห้กันออหมดแล้วเลยออา น, นี่อนิจังให้เห็นอา น, นิจังแต่อา น, นิจังมันก็จะเห็นทุกขังอ่ เพราะมันไม่เที่ยงพะมันไม่เที่ยงเราก็จะทุกข์กับมันพรเราอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดแต่มันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราตลอดมันเป็นของเราชั่วคราวนี่คืออนิจจ์ทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นทิดาเป็นเพื่อนหรือเป็นใครก็ตามต้องมีวันพัดภาคจากกันในที่สุดมีคำถามมาค่ะจากคุณเป้ากราบนมัสการครับฐานของสมาธิที่สามารถพิจารณาอสุภะได้เราจะรู้ได้อย่างไรครับ ว่าสมาธินั้นเป็นสมาธิแท้ที่สามารถใช้พิจารณาได้ไม่เป็นสมุทยัยก็พิจารณาโดยที่ไม่มีอารมณ์ถ้าเราพิจารณาสุภาแล้วเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาขยะขยะัขยงก็พิจารณาไม่ได้บางคนเห็นศพแล้วเป็นลมจะไปพิจารณาไม่ได้จิตใจไม่แข็งพอ ถ้ามีสมาธิมีอุเบกขาจิตใจจะแข็งเห็นอะไรก็จะเฉยไดย้ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รู้ที่เห็นเนีย่ยงั้นการจะพิจารณาความจริงบางอย่างนี่มันถ้าไม่มีอุเบกขามันพิจารณามันไม่กล้าพิจารณาเช่นความตายนี่ไม่ค่อยมีใครอยากจะพิจารณากันแม้แต่คําว่าตายยังไม่อยากจะพูดถึงเลย คนตายยังไม่ยมังยังไม่ยอมพูดคำว่าตายเขาว่าไปสวรรค์แล้วออไปนิพพานแล้วออกลับไปพูดอย่างนั้น เ, ออเพราะว่าจิตใจไม่มีความสงบพอไม่มีอุเบกขาไม่มออีไม่ปราศจากความรักชังกลัวหลงกลัวความตายกันก็เลยพิจารณาไม่ได้กลัวอสุภะก็พิจารณาไม่ได้ แต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วเทนี้พิจารณาได้ดูได้ดูตับไตไส้พุงผ่าออมาดูกระโหลกศีรษะดูปอดหัวใจดูตับดูไตดูอะไรได้หมดอ่ะคำถามจากคุณจริงใจกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะพี่สาวเป็นความดันต่ำแต่ถ้ากินเบียร์ก็จะไม่เวียนหัวแต่พี่สาวกลัวเพราะผิดศีลข้อห้าก็เลยไม่กินแต่ก็เวียนหัวไม่สบาย ถ้าเขากินก็กินวันละแก้วก็มีอย่างอื่นให้กินไม่ใช่เหรอยาแก้ความดันเขาก็มีไม่ใช่เหรอทำไมต้องเอาเบียรมาเป็นยากแก้ด้วยคําถามจากคุณมายกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเวลาที่เราวิ่งออกกําลังกายแล้วเรารู้ตัวอยู่กับลมหายใจและนับเลขไปตามเวลาวิ่งไปพร้อมๆกัน ถือว่าเป็นการฝึกสติไหมคะถ้าไม่คิดก็ใช้ได้ก็เป็นการฝึกสติเป้าหมายการการฝึกสติก็เพื่อหยุดความคิดถ้าเราหยุดความคิดได้ด้วยวิธีใดก็ถือว่าเรามีสติพุทโธนับพุทโธไปแล้วก็นับตัวเลขตามไปก็ได้พุทโธหนึ่งพุทโธสองก็ได้แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้หยุดคุยกับตัวเองให้ได้หยุดวิภาควิจารณคนนั้นคนนี้หยุดเพอ้อเจอ้อเพอ่อฝัน ให้ใจว่างๆให้รู้เฉยๆแล้วจะมีความสุขคำถามจากคุณสุนิสาค่ะกราบนามัสการค่ะขอเรียนถามว่าเมื่อนั่งสมาธิจนเกิดอุเบกขาในจิตต้องทำแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมคะแล้วจิตจะเห็นธรรมหรือว่าออกจากสมาธิพิจารณาทางปัญญาคะ ถ้ายังไม่ได้พิจารณาก็ต้องพิจารณาถึงจะเห็นถ้าเคยพิจารณาแล้วพอจิตสงบก็จะเข้าใจจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นเะฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นเวลาออกจากสมาธิก็ต้องพิจารณาเช่นความตายพิจารณาสุภาษต่อไปมันก็จะเห็นอยู่ในใจฝังอยู่ในใจพอเห็นอะไรแล้วมันก็ปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ติดะ แต่ถ้าไม่พิจารณามันยังไม่เข้าไปในใจมันก็จะไม่มีปัญญาปัญญาจะเกิดจากการที่เราพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนจำได้เหมือนกับท่องสูตรคูนอย่างนี้เราต้องหมั่นท่องอยู่เรื่อยๆหรือสวดมนต์สวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จำอยู่ในใจเราจำความตายอยู่เรื่อยๆต่อไปเราก็จะไม่ลืมความตายกันทวันนี้เราลืมความตายเพราะเราไม่อยากจะคิดถึงมันเพราะเรากลัวมัน เราไม่รู้ว่าความตายมันไม่เป็นเพชรเป็นภัยตัวที่เป็นเพิษเป็นภัยไม่ใช่ความตายแต่ตัวขัวกลัวความตายพอเราทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ปราศจากความกลัวพอเราคิดถึงความตายเราก็ไม่กลัวแล้วก็รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วยิ่งถ้าเรามีปัญญาแยกกายออกจากร่างกายได้เราก็จะรู้ว่าเราไม่ได้ตายร่างกายไม่ได้เป็นเราเราเป็นใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่าง แต่นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วก็จะไม่กลัวตายหมดหรือยังหมดแล้วค่ะอหมดก็เอาแค่นี้กันแล้วกันนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด